เจรอรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายทาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันศุขที่27กันยายนพุทธศักราช2556เป็นวันพระเป็นวันธรรมวนะันาเป็นวันฟังธรรม เป็นวันสําหรับสาธุชนพุทธบาลสัพมาร่วมกันสะสมอาวุธที่จะไว้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูของจิตใจอะไรคือข้าศึกศัตรูของจิตใจก็คือความอยากทั้งสามคือความอยากในกลาง ได้แก่อยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาลเรียกว่าการมาตัญหาและสองความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวตัญหาและ 3. ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภวตัญหาความอยากทั้งสมประการนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ ของความไม่สบายใจเครื่องมือหรืออาวุธที่จะใช้ในการทำลายตัณหาทั้งสามนี้ก็คือทานสิงภาวนาทานสิงภาวนานี้เป็นเหมือนปืนเป็นเหมือนมีดเป็นเหมือนลูกระเบิดเอาไว้ทำลายกามตัณหาภาวะตัณหา นละวิปภวตัณหาให้หมดไปจากใจถ้าไม่มีตัณหาทั้งสามอยู่ในใจแล้วใจจะมีแต่ความสุขใจจะมีแต่ความสบายใจจะไม่มีความทุกข์ความเครียดความวุ่นวายใจต่างๆดังนั้นการทำทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดี ยังต้องทำเพื่อไม่ให้เกิดความอยากในการมะตัญหาภาวะตัญหาและวิภวะตัญหาถ้าทำแล้วเกิดความอยากอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำผิด <c oughs> ทำแล้วจะไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์คือจะไม่ได้ความสุขใจจะไม่ได้รับการดับความทุกข์ใจ <c oughs> เช่นเวลาเราทำทาน เราอย่าอยากได้ความร่ำรวยอย่าอยากได้าดลาภยศสรรเสริญอย่าอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกิ้นกายเราทำเพื่อที่จะตัดความอยากร่ำรวยอยากได้าดลาภยศสรรเสริญอยากมีความสุขทางตาหูจมูกิือกาย เราไม่ได้ทำเพื่อให้เราได้ทรัพย์มากขึ้นมีเงินมากขึ้นแต่เราทำเพื่อให้มีทรัพย์น้อยลงมีเงินน้อยลงเพราะการมีทรัพย์มากๆนี้เป็นภัยต่อจิตใจจะทำให้ใจไม่มีความสุขพอจะอยากจะมีทรัพย์มากขึ้นไปอยากจะรักษาทรัพย์ อยู่กับตนไปนานๆแล้วก็ต้องมาเสียใจเวลาที่สูญเสียทรัพย์ไปเพราะทรัพย์เป็นของไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่นอนมีมามีไปเป็นธรรมดามีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาถ้าอยากได้ทรัพย์ก็จะทำให้ใจมีความไม่สบายใจ เพียงแต่คิดอยากได้ก็ไม่สบายใจแล้วกระวนกระวายกระสับกระส่ายพอได้มาก็ต้องมาวุ่นวายกับการดูแลทรัพย์แล้วเวลาเสียทรัพย์ไปก็จะเกิดความเสียอกเสียใจขึ้นมาดังนั้นการมีทรัพย์ของเราควรเพียงควรจะมีเพียงพอประมาณ คือพออยู่พอกินไม่เดือดร้อนมีปัจจัยสี่มีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคนี่คือการมีทรัพย์มีไว้เพื่อจะได้มีปัจจัยสี่เพื่อเราจะดูได้อย่างไม่เดือดร้อน แต่อย่าไปอยากมีทรัพย์มากๆเพราะความอยากมีทรัพย์มากๆนี้จะทำให้เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาจะทำให้เกิดความไม่สงบใจขึ้นมาดังนั้นการทำทานนี้ทำเพื่ออะไรทำเพื่อตัดความอยากมีทรัพย์มากๆทํทำเพื่อลดจำนวนของทรัพย์ให้มีน้อยลงไป เพาะมีทรัพย์น้อยลงไปเท่าไหรความทุกข์ความไม่สบายใจก็จะมีน้อยตามลงไปมีทรัพย์มากนี่มีความไม่สบายใจมากเพราะจะต้องคอยดูแลรักษาแต่มีทรัพย์น้อยก็ไม่ต้องดูแลรักษามากเวลาหมดไปก็ไม่เสีย อ, อกเสียใจมากเวลามีมาก เวลาเสียไปนี่จะเสีย อ, อกเสียใจมากการทำทานจึงทำเพื่อให้เรามีทรัพย์น้อยเพื่อให้เราไม่ต้องไปดินน้นรนหาทรัพย์มากมากเพราะไม่ได้เป็นทางสู่ความสุขใจไม่ได้เป็นทางสู่ความดับความทุกข์ใจไม่สบายใจการมีทรัพย์น้อยๆนี่แหละเป็นทางสู่ความสบายใจ มีทรัพย์พออยู่พอกินไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ต้องมาหวงมาห่วงมาคอยดูแลรักษาทราพัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ต้องคอยดิ้นนนหามาเพิ่มให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องทาทานกันทาทานเพื่อตัดความโลภความอยากได้ ในลาบยศสะละเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสผุดพะถ้าเราทำทานได้แล้วใจของเราจะมีความสบายจะไม่ค่อยวุ่นวายกับเรื่องทรัพสมบัติข้าวของเงินทองพอมีพอกินก็มีความสุขแล้วมีมากไปกว่า น, นั้นก็ไม่ได้ทำให้พอมีความสุขมากไปกว่า น, นั้น เพราะว่าความสุขจากเงินทองนี้ก็ได้จากการที่เรามีปัจจัยสี่พอเพียงต่อการดูแลรักษาชีวิตร่างกายของเราเท่านั้นมีมากไปกว่านั้นก็ไม่ได้ดูแลรักษาชีวิตร่างกายของเราให้ยืนยาวไปกว่านั้นหรือให้มีความอิ่มมากไปกว่านั้นสดมากไปกว่านั้น พอความอิ่มความสุขทางร่างกายนี้เขามีขอบเขตจะมีเงินแสนมีเงินร้อยเวลากินข้าวอิ่มก็อิ่มเหมือนกันเวลานอนหลับนอนในบ้านร้อยล้านนอนในบ้านเช่าก็หลับเหมือนกันอันนี้จึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราควรที่จะขวนขวายหา เ, เงินทองมา มากมายกายกองเกินความจำเป็นเราจะเหนื่อยยากไปเป่าๆแล้วเราก็จะติดกับของตัณหาตัวที่จะดึงให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆทางของเรานี้คือทางไปสู่การสิ้นสุด ข, ของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นการ เดินเข้าหากองไฟเดินเา้าหากองทุกข์นั่นเองเพราะถ้ามีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีการสูญเสียมีการพัดพาจากสิ่งต่างๆไปเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายเวลาสูญเสียเวลาพัดพาจากสิ่งต่างๆไปนี้เป็นเวลาที่ทุกทรมานใจอย่างมาก ถ้าไม่สามารถดับความทุกข์ทรมานใจนี้ได้ก็จะถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายแต่ถ้าเราไม่โลภมากไม่อยากมากไม่อยากมีทรัพย์มากจนเกินไปเราจะไม่วุ่นวายเราจะไม่ทุกข์ทรมานใจเวลาที่เราสูญเสียทรัพย์ไปเพราะเราจะ ไม่มีอะไรที่จะต้องสูญเสียมากนั้นเองแล้วเราก็สามารถหาใหม่ได้ง่ายถ้าเราหาเพียงปัจจัยสี่นี้ไม่ยากเราหาได้ทุกวันปัจจัยสี่นี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ยากเยินอะไรถึงแม้จะไม่มีบ้านอยู่ก็ยังอยู่ได้ถึงแม้จะอดอาหารบ้างก็ยังอยู่ได้ถึงแม้จะไม่มีเสื้อผ้า ใหม่ๆซื้อมาใส่ก็ยังอยู่ได้ถึงแม้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มียารักษาโรค ก, ก็ยังอยู่ได้ถ้าเป็นโรคที่ไม่รุนแรงเดี๋ยวมันก็หายเองได้ถ้าเป็นโรครุนแรงต่อให้มีเงินทองมียาก็ไม่สามารถรักษามันได้อยู่ดีมีแต่จะตายเท่านั้นดังนั้นการมีทรัพย์มากๆ จึงไม่เป็นประโยชน์อะไรกับจิตใจแต่เป็นโทษเพราะจะต้องเป็นภาระกับจิตใจที่จะต้องคอยเฝ้าดูคอยเฝ้าดูแลรักษาแล้วก็จะต้องมาทำให้เศร้าโศกเสียใจเวลาที่สูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปดังนั้นถ้าเรามีทรัพย์มากเกินไปพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราเอามาทำทาง เอามาแบ่งปันกันสงเคราะห์คนที่เขาไม่ไม่มีกันให้เขาได้มีบ้างให้ให้เขามีชีวิตที่สุขสบายขึ้นมากบ้างเช่นคนอดอยากขาดแคลนในปัจจัยสี่ถ้าเขามีผู้ที่มาช่วยเหลือก็จะทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นแต่นี่ก็หมายถึงช่วยเหลือคนที่ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วจนสุดความสามารถแล้วไม่ได้หมายให้ถึงไปช่วยเหลือคนที่งองอยงอเท้าคนที่มีความเกลียดครางช่วยเหลือคนแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์กับเขาจะเกิดโทษกับเขาเพราะจะทำให้เขามีความเกลียดครางมากขึ้นจะทำให้เขาไม่คิดพึ่ง ตนเองไม่ช่วยเหลือตนเองจะรอรับการช่วยเหลือของผู้อื่นอยู่เรื่อยๆจะกลายเป็นภาระของสังคมไปเพราะคนเราโดยปกติถ้าไม่พิกลพิการไม่สุดวิสัยจริงๆนี้ทุกคนสามารถพึ่งตนเองได้สามารถหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูตนเองได้แต่ถ้า ไม่ขวนขวายมีความเกลียดครางก็ไม่สมควรที่จะไปช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้เพราะว่าจะส่งเสริมความเกลียดครางของเขาให้มีเพิ่มมากขึ้นไปควรจะปล่อยให้เขาดิ้นนนนถ้าเขาดิ้นแล้วเขาไม่สามารถที่จะหามาได้ถึงจะเป็นเวลาที่เราควรที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขา เช่นถ้าเขาพิกลพิการแขนขาดขาขา ด, ขาดหูหนวกตาบอดมีโรคภัยไข้เจ็บเรือเป็นเด็กหรือเป็นคนชราที่ไม่สามารถที่จะพึ่งตัเองได้อย่างนี้ก็เราควรที่จะช่วยเหลือถ้าเรามีความสามารถถ้าเรามีทรัพย์มากเกินไปก็เอามาช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ จะเป็นการสร้างความเมตตาเป็นการสร้างบุญให้กับจิตใจเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจทำให้จิตใจมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจจะทำให้ลดความอยากได้เงินได้ทองลดความโลภลดความโกรธลดความหลงได้เป็นอย่างดีนี่คือการทำทาน ทำเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนจริงๆทำเพื่อให้เกิดความเมตตาทำเพื่อให้เกิดความอิ่มใจสุขใจไม่ได้ทําเพื่ออยากจะได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนแต่อานิสงส์ของการทําทานนี้นอกจากทําให้เรามีความสุขใจอิ่มใจ ทำให้เราไม่โลภอยากได้เงินทองมากแล้วก็ยังมีอานิสงส์ตามมาในภพต่อไปอยู่ก็คือเราจะมีฐานะการเงินการทองที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากกว่าเดิมแต่นี่ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมา ก็ถือว่าเป็นผลปล่อยได้ไปผลหลักๆ ก, ก็คือเราต้องการมากำจัดความโลภ ก, กำจัดความอยากที่เป็นอันตรายต่อจิตใจของเราเพราะความโลภความอยากนี้เป็นเหมือนเชื้อโรคเชื้อโรคของร่างกายถ้ามีมากก็จะทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยความโลภความโกรธคือเชื้อโรคของใจ ถ้ามีมากก็จะทำให้เกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจดังนั้นเราต้องพยายามกำจัดความโลภความอยากต่างๆให้มันน้อยลงไปเพื่อเราจะได้มีความสบายอกสบายใจเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับจนไม่มีความทุกข์ความไม่สบายใจหลงเหลืออยู่ภายในใจของเราเลย อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติมาท่านทําทานเพื่อตัดความอยากได้เงินทองท่านพอไม่มีความอยากได้เงินทองท่านก็ไม่ต้องมาทํางานอย่างพวกเราไม่ต้องมาหาเงินหาทองอย่ากพวกเราท่านก็ไปปฏิบัติธรรมได้ไปสร้างไปรักษาศีลได้ไปภาวนาได้ ไปต่าตันหาความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้การทำทานนี้ไม่สามารถฆ่าตันหาให้หมดไปเพียงแต่ลดปริมานลดกำลังของตันหาความอยากให้น้อยลงไปเช่นลดความอยากมีทรัพย์มีเงินมีท อ, อให้น้อยลงไปให้หมดไปได้ด้วยการทำทาน แต่ยังไม่สามารถลดความอยากที่จะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะมีความสุขทางตาหูจมูกปิ้นกายหรืออยากจะไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้อันนี้ต้องทำต้องปฏิบัติต้องสร้างอาวุธระดับที่สองคือคือศีลถ้าเรารักษาศีลได้ เราก็จะตัดความโลภความอยากได้เอกระดับหนึ่งคือถ้าเรายังต้องหาเงินหาทองเราก็จะไม่หาเงินหาทองด้วยการทำบาปเพราะการทำบาปนี้มีผลร้ายแรงต่อจิตใจของเราจะทำให้ใจของเราไม่สบายจะทำให้ใจของเรา ว้าวุ่นขุนบัววิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าเราหาเงินหาทองหาสิ่งต่างๆมาโดยไม่ทำไม่ไม่โดยไม่ได้ทำบาปคือรักษาศีลห้าไว้ให้ได้การหาเงินหาทองหาข้าวหาของต่างๆก็จะไม่เป็นภัยต่อจิตใจ จะไม่สร้างความทุกข์ให้กับจิตใจนอกจากความโลภความอยากได้แต่ถ้าเราหาด้วยความจำเป็นหาโดยไม่การกระทำบาปการหาทรัพย์เพื่อดำรงชีวิตของเราก็จะไม่เป็นโทษเป็นภัยต่อจิตใจของเราเช่นเราหาเพราะเราจำเป็นเงินทองไม่พอใช้สาหรับการเลี้ยงดูชีวิต ไม่พอใช้กับการหาปัจจัยสี่เราก็ต้องหากันแต่เราจะไม่หาโดวยวิธีทำบาปคือเราจะไม่หาด้วยการฆ่าชีวิตของผู้อื่นเช่นยิงนกตกปลาเพื่อจะได้ปลาได้นกมาเป็นอาหารเราจะไม่ทำอย่างนี้เราจะหาเงินหาทอง โดยวิธีที่สุดจริญได้เงินได้ทองมาเราก็ไปซื้ออาหารต่างๆมารับประทานเราจะไม่ฆ่าเราจะไม่ช่อกงไม่ลักทรัพย์เราจะไม่หาความสุข ด, ด้วยการประพฤติผิดประเวณีคือประพฤติผิดสามีผิดภรรยาของผู้อื่นเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่น จะไม่ยุ่งกับบตรีิดาของผู้อื่นถ้าเราอยากจะมีคู่ครองเราก็ต้องหาคู่ครองมาให้ถูกตามประเพณีเช่นไปสู่ขอาจากบิดามารดาของบุคคลที่เราอยากจะได้มาเป็นคู่ครองของเราพอเรามีคู่ครองแล้วเราก็ต้องซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของเราเราจะไม่ไปมี ความยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นจะมีความรักในคู่ครองของเราคือมีสามีคนเดียวมีภรรยาคนเดียวถ้าเราทำอย่างนี้เจตใจของเราก็จะไม่วุ่นวายจะไม่ทุกข์จะไม่วิตกกังวลแต่ถ้าเราทำประพฤติผิดโกยนี้ไปมีชู้กับผู้อื่นเราก็จะมีความไม่สบายใจ มีความวิตกกังวลกลัวคู่ครองของเราจะรู้เข้าแล้วถ้าเกิดเขารู้เข้าก็จะทำให้เกิดความความบาดหมางใจเกิดการทะเลาะวิวาสหรือเกิดการแตกแยกตามมาต่อไปได้แต่ถ้าเราไม่กระทำประพฤติประเวณีมีความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของเราชีวิตของ ชีวิตการอยู่ร่วมกันของสามีภรรยาก็จะมีความสุขไปตลอดไปจนวันตายนี่คือการหาความสุขการดำรงชีวิตโดยที่ไม่เกิดโทษแก่จิตใจก็คือต้องไม่ทำบาปห้าข้อนี้เองคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพุติผิดประเวณี ไม่พูดปดไม่เสพสุลายามาถ้าเราอยากจะหาความสุขที่สูงกว่านี้คือความสุขที่เกิดจากความสงบจากการนั่งสมาธิจากการภาวนาเราก็ต้องถือศีลแปดเราก็ต้องงดการหาความสุขทางร่างกายไปคือไม่ร่วมหลับนอนกับใคร สินข้อสามจากกาเมก็จะมาเป็นอพรรมจริยาคือจะเป็นซื้อจะถือสินพรหมจรรย์จะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนแล้วก็จะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไปรับประทานพออยู่ได้รับประทานเหมือนกับรับประทานยา มีเวลามีเวลาไม่ได้รับประทานตามความอยากตามกามะ a ตัณหาเช่นรับประทานอาหารไม่หลังหลังจากไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะรับพอเพียงแล้วตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงนี้พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายแล้วรับรองได้ว่าไม่ตายอย่างแน่นอนถ้าไม่ได้รับประทานอาหารเย็น นี่คือการละหาการหาความสุขจากการรับประทานอาหารหรือดืม่มเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็ละจากละการหาความสุขทางตาหูจมูกเน้นกายเช่นการดูการฟังการดื่มการรับประทานสิ่งต่างๆจะงดไปเช่นไม่ดูโทรทัศน์ไม่ดูละครไม่ดูมหอระพไม่ล้องลำทำเพลง จะหาความสุขจากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วก็ละเว้นจากการหาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูสวยสดงดงามละเว้นจากการใช้เครื่องหอมต่างๆละเว้นจากการใช้เครื่องสอําอางต่างๆเพราะไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขปลอม เวลาติดกับสิ่งเหล่านี้แล้วเวลาที่ไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวสวยงามหรือไม่ได้แต่งหน้าทาปากจะไม่มีความสุขจะมีความทุกข์จะมีความไม่สบายใจแต่ถ้าไม่ติดกับการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากเวลาไม่ได้แต่งก็ไม่เกิดความรู้สึกทุกข์ใจแต่อย่างใดนี่คือ การงดเว้นการหาความสุขทางร่างกายทางมาหหละศพทางเครื่องบรรเทิงต่างๆแล้วก็ละเว้นจากการหาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปหลับนอนพอประมาณคือพอต่อความต้องการของร่างกายก็พอแล้วปกติร่างกายนี้ถ้าได้พักประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็จะพอแล้ว แต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆ น, านี้เวลาตื่นขึ้นมาจะไม่อยากจะลุกจะมีความอยากนอนต่อเพราะติดกับความสุขจากการนอนบนฟูกหนาๆก็จะเสียเวลานอนต่อไปอีกสี่ห้าชั่วโมงเวลาที่จะมาสร้างความสุขเวลาที่จะมาตัดความอยากก็จะหมดจะสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ แต่ถ้าไม่นอนบนฟูกหนาๆเช่นนอนบนพื้นแข็งๆเวลานอนร่างกายพักผ่อนพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่นอนต่อก็จะลุกขึ้นมานั่งสมาธิเพื่อจะได้ตัดกำลังของความอยากแล้วก็มาเจริญปัญญาเพื่อมาทำลายความอยากให้หมดไปอย่างถาวรดังนั้นถ้าเราอยากจะกำจัด ความอยากให้หมดไปดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจของเราเราก็ต้องถือศีลแปดกันเช่นวันพระนี้เราควรจะถือศีลแปดกันวันธรรมดาเราถือศีลห้าไปก่อนแล้ววันพระเรามาลองถือศีลแปดกันแล้วก็งดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันถ้ามาอยู่วัดจำศีลได้ก็มา ถ้ามาไม่ได้ก็อยู่ที่บ้านจำิีลที่บ้านไปก็ได้ปฏิบัติธรรมภาวนาไปที่บ้านก็ได้นั่งสมาธิจเจริญปัญญาเพื่อตัดกำลังของความอยากและทำลายความอยากให้หมดไปในที่สุดความอยากนี้จะถูกทำลายหมดไปได้ต้องใช้ปัญญาแต่ก่อนที่จะใช้ปัญญาได้ ก็ต้องตัดกำลังของความอยากให้มันน้อยลงไปก่อนด้วยการนั่งสมาธิโดยานะนั่งสมาธิความอยากที่ลุนลานี้จะเบาลงไปถ้าเป็นนักมวยก็เหมือนถูกชกลงไปนับแปแล้วเวลาถูกชกนับแปนี้กำลังจะน้อยลงไปก็จะทำให้สามารถชกต่อไปทำลาย ผู้ต่อสู้ให้นับสิทธิ์ได้อย่างง่ายดายดังนั้นก่อนที่เราจะใช้ปัญญาเพื่อตัดทําลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจเราต้องใช้สมาธิก่อนสมาธินี้จะทําให้กําลังของตัณหาความอยากนี้เบาบางลงไปตอนต้นก่อนจะใช้สมาธิก็ต้องใช้ศีลแปช่วยก่อนศีลแปนี้ก็จะ เป็นเหมือนลวกัน้นไม่ให้ความอยากมีกําลังมากเกินไปพอความอยากถูกศินแปดคอยคุมไว้พอเรามานั่งสมาธิก็จะทําให้ความอยากนี้สงบตัวลงไปชั่วขา่าวอ่อนกําลังลงไปพอออกจากสมาธิมาเราก็ใช้ปัญญามาทำลายได้เลย ถ้าเรามีปัญญาถ้าเราเห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจคือเราเห็นอริยาาสัจสีเห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากและความอยากนี้จะหายไปได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นว่าการทำตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นการดับความทุกข์ใจแต่เป็นการเพิ่มความทุกข์ใจ ความไม่สบายใจให้มีมากขึ้นเพราะการทำตามความอยากจะไม่ทำให้ความอยากหมดไปแต่จะกลับทำให้มีความอยากเพิ่มมากขึ้นทำให้มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นเพราะเวลาเราได้อะไรมาแล้วเราก็จะเกิดความอยากมีมากขึ้นหรืออยากจะให้สิ่งที่เราได้มาอยู่กับเราไปนา น, าน แต่ความจริงแล้วไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปนานๆไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะต้องเสื่อมหมดไปแม้แต่ร่างกายที่เราได้มาก็จะต้องเสื่อหมดไปเหมือนกันเวลาที่เราเวลาสิ่งต่างๆเสื่อมหมดไปก็จะทำให้ความทุกข์ของเรามีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเราไม่มีอะไร เราก็จะไม่มีความทุกข์กับสิ่งต่างๆสิ่งที่เรามีเราก็ไม่ยึดไม่ติดเราก็ไม่ห่วงเราพร้อมที่จะให้เสื่อมหมดไปถ้าเราทําอย่างนี้ได้เราจะไม่มีความทุกข์ใจนี่คือการมาทาบุญทำทานมารักษาศีลมาภาวนามาฟังเทศน์ฟังธรรมมาเพื่อมาเอา เครื่องไม้เครื่องมือเอาเอาวุธเอาไปต่อสู้กับกิเลส ต, ตัณหาความอยากต่างๆความโลภความโกรธความหลงต่างๆดังนั้นขอให้เราระมัดระวังเวลาเราทาอะไรอย่าทำให้เกิดความอยากยกเว้นความอยากจะทำบุญอยากจะรักษาศีลอยากจะภาวนาอยากจะนั่งสมาธิ อยากจะปฏิบัติธรรมความอยากเหล่านี้ไม่เรียกว่าเป็นตัณหาไม่เป็นกิเลสไม่เป็นความโลภแต่เป็นธรรมเป็นฉันทะวิริยะจิตะวิมังสาเป็นประโยชน์การอยากทำบุญอยากรักษาศีลอยากนั่งสมาธิอยากฟังเทศน์ฟังธรรมอยากปฏิบัติธรรมนี้ไม่เป็นกิเลสแต่ความอยากร่ำรวยอยากมีอยากเป็น อยากร่ารวยอยากมีาลาภยศสรรเสริญอยากมีความสุขทางตาหูจมูกนิ้งไก่อยากจะไม่แก่อยากจะไม่เจ็บอยากจะไม่ตายเหล่านี้เป็นความอยากที่เป็นอันตรายต่อจิตใจเราต้องทำลายมันอย่าทำตามมันถ้าเราไม่สังเกตเดี๋ยวเราจะทำผิดจุดประสงค์ทำตามความอยาก ทำบุญก็อยากจะล่ำอยากจะรวยอยากจะมีอายุยืนยาวนานอย่างนี้แสดงว่าเราทำผิดจุดประสงค์ของการทำบุญเราทำธทําเพื่อตัดความอยากทั้งสามคือการมากตัญหาภวะตัญหาและวิภวตัญหาให้หมดไปจากใจเครื่องมือที่จะทำลายความอยากเหล่านี้ก็คือการทำทานการรักษาศีล และการภาวนานี้เองจึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาภาวนานี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิพจน า, าและปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงและความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรันาตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเป็นกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแก้วข้าปลอดไปจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ